ขวความเจริญในธรรมจุนีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มบโบกติยาในวันนี้ผมพูดเรื่องอาธิตะปยา ย, ยิตสูตรต่อไปวันก่อนก็ได้พูดมาถึงอายตนะภายในอายตนะภายนอกแต่ในอย่างนั้นก็ส่งแสดงว่าเป็นของร้อนวิญญาณซึ่งเป็นการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในภายนอกก็เป็นของร้อน แล้วก็สัมผัสคือการที่ทำสามอย่างายัตตนาภายในภายนอกวิญญาณมาประจบกันคือเป็นสัมผัสก็เป็นของร้อนเวรนาคือจิตที่ทําหน้าที่สวยอารมณ์จึงเกิดขึ้นเพราะการสัมผัสการกระทบกันของอยัตตนาภายในภายนอกแล้วก็วิญญาณเนี่ยจึงเป็นสัมผัสก็เป็นของร้อน แล้วทรงตั้งปัญหาและทรงเฉลยเองเนะว่าเกณนะอดีตังร้อนเพราะอะไรแล้วก็ทรงเฉลยว่าอดีตัง่งรากกินาโ ด, ดส ก, กินามวัวกินาเป็นต้นแต่แปลเป็นใจความว่าร้อนก็ไปคือราคะเพะไปคือโทสะเพะไปคือโมหะอันนี้ก็คือสมุทัยศาสตร์แนวที่เราเรียกว่ากุศ ล, ลมูล เป็นรากง่าวความกุศลทั้งหลายก็คือสมุทัยศาสตร์นั่นเองทีนี้เรื่อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายความเกิดความแก่ความตายนั้นเป็นสภาวะทุกข์แหวนเป็นความทุกข์ตามสภาพของมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยทั้งที่เป็นรู ป, ปธรรมและทั้งที่เป็นนามธรรม ก็คือร่วมของทุกข์กระสัดแต่เป็นข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าตอนที่ทรงทแสดงแกพระปัญญวคคีนั้นตรงแยกระหว่างทุกขสมุทัยออกไปให้เป็นคนและกรณีกันหมายความว่ากลุ่มของทุกขนั้นเป็นเรื่องที่ควรกําหนดรู้กลุ่มของสมุทัยเป็นเรื่องที่ควรลัก แต่ในที่นี้ได้นำเอาความทุกแปดประการนะฮะก็ เ, เรียกว่าเพลิงกิเลส3ามกองเพลิงทุกแปดกองหมายความเอาทุกมาทุกจรจจำนวนหนึ่งทุกประจําสามประการทุกจร5ห้าประการรวมแล้วก็เป็นแปดประการหกันข้ามาแสดงเป็นนยะให้เห็นว่ามันเป็นเหตุของความร้อน พูดง่ายๆว่าคนเราถ้าไม่เกิดมาอ้ามก็ไม่ร้อนมันเป็นการวัดถึงพื้นฐานของผู้ฟังไปด้วยในตัวคือเรามองตัวนี้แสดงว่าท่านปฏญวคีนั้นมีบารมีแก่กล้ามากกว่าท่านปูรานิชดินทั้งๆที่ว่าเป็นนักบวช ด, ด้วยกันแต่ว่าเวลาแสดงเนี่ยสงแสดงท่านปัฏิบคีนี่ยากว่ากฟังยากกว่า พอมาถึงท่านโบราณจดินก็รับสั่งธรรมดาธรรมดาก็เห็นก็นง่ายๆคล้ายๆกับตอนที่เราเห็นเทวทูตเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็มองย้อนจากแก่เจ็บตายเนี่ยไปหาความเกิดหลังจากนั้นก็ทุกทั้งมวลมันก็สืบเนื่องมาจากเกิด หมายความมันแก่จบตายก็ดีโซกรำเลยรำพันความผูกความเรือยใจอะไรแต่อะไรทั้งหมดเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากเกิดเฉพาะในกินขนดขณะนั้นแต่ในการต่อมาเมื่อได้จัดสรู้แล้วทรงเห็นว่าแม้ความเกิดก็เป็นผลขึ้งเกิดมาจากเหตุก็คือตัณหาทั้งสามประการก็ทรงแยกออกไปเป็นทุกขสมมุทยัยความเกิดนั้นเป็นทุกข์อย่างไรคือมันเกิดจากการไปยึดมั่นถึงมัน ควาเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความรับได้รำพาญความทุกข์ความเดือดใจความกบแยนใจเนี่ยมันเกิดจากใจเราไปยึดมั่นถึงมั่นในอารมณ์ตัวอมั่นของในายเรื่องมั่นของราคะโลภโทสะโมหะนั่นแหละแต่ว่าเวลาไปยึดมั่นถึงมั่นนั้นก็เรียกโดยปริยายหนึ่งปริยายที่เรียกบ่อยเนี่ยเรียกพบบ่อยคือตัณหามานาทิฏ หมายความว่าไปยึดติดในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเราของเราของเราโดยอำนาจของตันหาและยึดถือว่าเป็นเราโดยอำนาจของมา น, นะยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราโดยอำนาจของทิฏฐินี้ก็ทําให้เกิดอาการยึดติดขึ้นมาในรัศดะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาการทั้งหมดเนี่ย ถ้าเราไม่เอาของเราเข้าไปบวกจะ่นวเนเน่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเนี่ยเอาเวทนาเป็นตัวอย่างเวทนาที่เกิดขึ้นเวทนามันเกิดขึ้นอย่างนั้นแหละเกิดขึ้นทุกวันทุกขณะโดยซ้ําไปทุกขณะลมหายใจเข้าออกดโดยซ้าไปโดยเฉพาะทุกเวทนาแต่ว่ามันเกิดแก่ใครต่ น, นั้นเองในขณะนั้น เราไปเยี่ยมคนป่วยเองคนป่วยประสบทุกขเวทนาเนี่ยเราก็ไม่ได้ปวดเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้สึกว่าเราป่วยมันก็แสดงว่าถ้าเราไม่เอาเอาเราก็ไปเบื่อเข้าเราก็เป็นห่วงในฐานะที่เขาป่วยแต่เราไม่เจ็บปวดในฐานะที่เขาป่วยเ ร, เราไม่ได้รู้สึกว่าเราป่วยความเป็นเราก็เหมือนกันนะ ก็ว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนโน้นเป็นอย่างโน้นก็ว่าเลยก็ว่าไปอะถ้าว่าไม่ไม่กระทบตัวเราตามสถานะที่เราเป็นเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนอะไรแต่ว่าบางทีนี่เป็นเรื่องหมู่คณะเช่นสมมุติเขาพูดถึงพระไม่ดีอย่างเนี้ยเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นพระเดือดร้อนในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์กร แต่ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราไม่ดีเพราะเรารู้อยู่ว่าเราดีหรือไม่ดีทุกคนนี่ว่าเขาก็ไม่ได้หมายถึงเราแต่ว่าเหื่อฐานาที่เราเป็นหน่วยหนึ่งขององคอ์กรเนี่ยเราก็รู้สึกเดือดร้อนด้วยเพาความรู้สึกว่าเราเป็นเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับคนอื่นเข้าไปเราเป็นนั่นเป็นนี้เป็นนู้นเป็นอะไรแต่ไรในี่สุดมันก็สังกัดอยู่กับสถาบันต่าง ทำให้รู้สึกเดือดร้อนตามกันไปแต่ในขณะเดีวยวกันเมื่อฝ่ายหนึ่งก็คนในองค์กรของเราเนี่ยเป็นคนดีแล้วการยกกองสังเสริมการโมทนาชื่นชมเขามีบุติตาจิตกับเขามันแสดงว่ามันมีความรู้สึกว่าเป็นพวกแต่ว่ามันออกมาในแนวสร้างสรรค์ ว่าเป็นระดับสินนามยัญญานะะอย่าลืมว่าพวกนี้แต่ระดับสินนามยัญญาแล้วเนี่ยย่านเข้มข้นมากเกินไปและไม่มีปัญหาอะไรเพราะอะไรเพราะว่าความเป็นของเราเนี่ยมันสามารถสร้างสารรค์พัฒนาอะไรขึ้นได้เยอะเหมือนกันโดยความรู้สึกว่าเป็นของเราความรู้สึกว่าเราเป็นเนี่ยเกิดจชนะเกิดจำเนื้เกิดจำเหนียบที่จะรับผิดชอบตามสถานะของเราที่เราเป็น หรือแม้เป็นตัวเป็นตนเนี่ยอย่าเปในมากไหมฮะอย่าหลงอย่าหลงก็ได้แก่เมันก็เกิดสํานึกสำเนีจยจะว่าเราเป็นข้าเราเป็นอุบาสกเราเป็นอุบาสิกาเราเป็นดํ m บวดเราเป็นทหารทํำยังไงเพิ่งจะวางตนให้เหมาะสมแก่การที่เราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ก็แสดงว่าก็เป็นแล้วก็ได้ดีนะเป็นเรื่องระดับศีลธรรมจัรญา แต่วันนี้เป็นการแสดงธรรมะในเขาเรียกว่ามีพระอราหันต์เป็นยอดหมายความมามุ่งที่จะให้ท่านเหล่านั้นบรรลุมรรคผลเป็นพระหันไปเลยจนแสดงในแนวที่ลึกซึ้งประณีดลงไปโดยมองเห็นว่ามันเป็นของร้อนรู้สึกว่าเป็นของเรากร้อนรู้สึกว่าเราเป็นกร้อนรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเรากร้อนเราแก่ เราก็เดือดร้อนเราเจ็บเราก็เดือดร้อนเราตายเราก็รู้สึกเดือดร้อนนะก่อนจะตายเนี่เดือดร้อนตายแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วแต่ถ้าตายแล้วต้องไปเกิดในทุกติก็เดือดร้อนในชาชติต่อไปถามว่าเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะไปรู้สึกว่าเราแก่รู้สึกว่าเราเจ็บรู้สึกว่าเราตายรู้สึกว่าเรากำลังจะตายรู้สึกว่าเรากำลังสูญเสีย ความรู้สึกเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นมาจากทิฏฐิคือความเห็นเป็นตัวเป็นตนทีนี้เมื่อยังเห็นเป็นตัวเป็นตนมันก็เข้าสู่ประตูปณิพาษไม่ได้เพราะพระทงสอนในรูปกลางการให้ดับไฟคือความร้อนทั้งหลายอย่างสมมติเนี่ยความ ความสุขความ ร, ำร่ำรวยรำพันธ์นะครความทุกข์กายความทุกข์ใจความตึงคับแค้นใจเนี่ยแต่อย่างมันวนแล้วแต่ว่าเป็นรู้สึกของเราเช่นสมมติว่าการรักดพลาดสูญเสียเนี่ยญาติพี่น้องตายเข้าของเสียหายทรัพย์สินเงินทองวิบัติไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสูญเสียแล้วก็เดือดร้อนตรงนี้ถ้าแมวตัวเราเข้าไปบวกเข้ามันก็ไม่เดือดร้อนอะไร ว่าในแง่ของความแก่ความแก่ความเจ็บความตายนะครับตอนนี้น ท, ทงตังเอาความเกิดมันด้วยเกิดแก่ตายนะฮะเกิดแก่ตายก็เป็นผลซึ่งมาจากกิเลสหรือราคะโทสะโมหะมันมันก็เหมือนกับผ้าชนะที่มันร้อนเพราะว่าสืบเนื่องมาจากไฟ เราจับกระทะร้อนที่จริงกระทะมันไม่ร้อนหรอกแต่โขไฟมันทําให้ร้อนกระทะมันเย็นเพราะในจริงเหล่านี้ก็เหมือนกันความโกความลรำไรลําพันความโกความเด็ดใจขอความขาแข็งใจเนี่ยมันอยู่ที่เราไปปรุงเอาตัวเองครับไปรับเข้าเต็มที่แล้วสุดเราก็เดือดร้อนท่านๆก็สอนให ปล่อยวางไม่ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันให้เขาถึงกติกธรรมดาเสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาปัญหาทํคาคาญเราคิดยังไงแต่นั้นเองเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงอะไรได้แต่การคิดของเราเนี่ยจะมีผลกระทบในทางบวกทางลบต่อชีวิตของคนแต่ละคน นันก็ทรงแสดงมาเรื่อยนะฮะมาเรื่อยจนมาถึงข้อสุดท้ายคือใจกับธรรมารมคือ ร, รมเรื่อกระจเนี่ยโดยใช้โครงสร้างเดียวกันว่ามณะนะคือใจเนี่ยเป็นของร้อนทำทั้งหลายเป็นของร้อนวิญญาณอาศนะัยมนณะเป็นของร้อนสัมผัสอาศนะัยมรณะเป็นของร้อนความสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยแม้นั้นก็เป็นของร้อนถามร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือ ต, ตัวสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศก ค, ความรับรลยรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจในเนี้ยคือกล่าวว่าเป็นของร้อนเป็นพระธรรมเทศนาที่ สอดคล้องกับพื้นฐานของท่านปุราณช ด, ดินคือท่านโบราณช ด, ดินท่านบูชาไฟมาแต่ร้อนในท่านคุณนนะฮะแล้วมันเห็นได้ชัดเพราะว่ามันควบคุมการมิโตคุ้คุมการมิโ ต, ตพะจิตเป็นเดียวนึกถึงการมิโตขึ้นมาก็ต้องการที่จะบันเทามาันก็ขนทรายหเหนื่อยผ่าฟืนให้เหนื่อยแล้วก็ติดไฟไว้เราก็ขนทรายขึ้นมาให้เหนื่อย ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียลงไปอาบน้าไม่หนาวแล้วขึ้นมาย่างกิเลสกับไฟมันก็เห็นชัดเจนนะเกิดเจอความร้อนนี่ชัดเจนพอยิ่งย่างกายกับจิตเนี่ยมันสัมผันสกัน่ะมันจิตก็กระซับกระสายกายก็กระซับกระสายมันเลย ก, กระซับกระสายกันไปใหญ่พระเจ้าก็ยกเอาร้อนขึ้นมานะคือโดยปริยายตรงนี้ยที่จริง อย่างในบางบางแห่งเชในสมุทยัยอริยสัจในสมหาตติปทานสูตรทรงสแสดงว่าเป็นตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่เนี้เมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่นี้สแสดงไปที่เกิดของตัณหาทั้งหมดพวกนี้ยเป็นสแสดงไปที่เกิดของตัณหามันเป็นปริยายของเทศนาที่จะทรงยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปสแสดงให้สดคล่องกับพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้ น, น, น แล้วจากนั้นก็รับสั่งว่าลุกศรจักสูทั้งหลายญาสาวว่าคู้ฟังแล้วเห็นดูอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักสูย่อมเบื่อหน่ายแม่ในรูปทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม่ในวิญญาณอาศัยจักสูย่อมเบื่อหน่ายแม่ในสัมผัสอาศัยจักสูย่อมเบื่อหน่ายแม่ในความสวยอารมณ์ที่อาศัยจักสูเป็นปัจจัยสุขก็ตามไม่สุขไม่ทุกขตาสุขก็ตามทุกขตามไม่ทุกไม่สุก็ตาม ที่เกิดเพราะจะสู่สัมผัสเป็นปัจจัยแล้วก็ทรงเรียงมาตลอดอะเรียงอายตนาภายในภายนอกมาตลอดมาเป็นวิญญาณมาเป็นสัมผัสมาเป็นเวทนาตลอดเพื่อเห็นว่าถ้าเราเข้าใจความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่าอภิรมยินดีแต่ประการใด พอ ต, ตัวสังขารร่างกายมันเป็นที่ตั้งเก่ยงความกำลังเพื่อเพลินยึดจมยินดีที่ต้องการปนปรือบำรุงบำเรอกันด้วยวิธีการต่างๆเนี่ยเอาค้าจิงมันก็ถูกเผาโดยไฟคือราคะโดยไฟคือโทสะโดยไฟคือโมหะมาและมันลากเราก็สู่กระแสะของความทุกข์ทั้งเกิดแก่ตายความโศก ค, ความรำไรลำพันธ์ความทุกข์ความใจใจความกับแผนใจโดยประการต่างๆเนี่ย นั้นวนแล้วเป็นอาการของกิเลสที่เกิดขึ้นเขาล่นจิตใจอยู่ทั้งนั้นตอนนั้นเมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิพจน์าจนรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะเกิดเบือหน่ายในตาเห็นรูปในหูในเสียงในในในหูในตาหูจะมุนิ่งารใจรู้เสียงยว่าปุถะพระธรรมนะสะรุปอย่างนี้ ในวิญญาณจะขูวิญญาณโจตาวิญญาณกานาวิญญาณติวาวิญญาณกายาวิญญาณมโนวิญญาณแล้วก็ในสัมผัสจะขูสัมผัสโจตาสัมผัสกานาสัมผัสติวาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสแล้วในเวทนาจกขูดสัมผัสชายชาเวทนาความสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจะสุสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขก็ตามทุกก็ตามไม่ทุกไม่สุขก็ตาม ความเฉื่อยอารมณ์ที่เกิดขึ้นประโศตสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดสุก็ตามไม่ทุกข์ก็ตามไม่ทุกข์ไม่สุก็ตามความเฉื่อยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะขาน่าสัมผ well ัสเป็นปัจจัยแม้อันใดก็ว่ามาจนถึงมโนสัมผัสเป็นปัจจัยแม้อันใดสุก็ตามไม่ทุกข์ไม่สุก็ตามสุก็ตามทุกข์ก็ตามไม่สุขไม่สุก็ตามเนี่ยก็จะเกิดความเบื <t andan> ่อหน่ายเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้น เมื่อเบอร์นายแล้วเป็นไงมันคือจะมองเห็นในสิ่งในปัจจุบันเนี่ยสิ่งในปัจจุบันก็แล้วแต่ว่าท่านจะเอาอะไรมองก็มองที่ตัวท่านที่กําลังสวยเบตาของท่านตาหูกจมูกลิ้นกาใจของท่านเนี่ยรนะูปเสียงดนตรถโอร์โพาที่ท่านรับผ่านมาจากข้างนอกพินดานก็ที่ปรากฏภายในใจของท่านเป็นอาการทางใจของท่านนะฮะสัมผัส เวทนาก็เป็นสิ่งที่เกิดปรุงจิตผัสสะนั้นเป็นเตตสิกเหมือนกันนะนะฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตของบุคคลมันก็จะเกิดความเบือ่อหน่ายลงเบือ่อหน่ายแล้วเนี่ยมันก็จะคลายความกำหนัดก็นิพบินดังวิรัติจิเมื่อเบือ่อหน่ายย่อมคลายกำหนัด กำหนัดในอะไรกำหนัดในรูปว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเวทนากเหมือนกันนะนะะทุกอย่างเ่ยทั้งทั้งทั้งอายตนะภายในทั้งอายตนะภายนอกทั้งวิญญาณทั้งสัมผัสทั้งเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาด้วยการปรุงคิดคิดปรุงนะว่ามันเป็นของเราว่ามันเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเอาวก็จริงมันไม่จริง อย่างที่ในสังคมเราในที่จริงมันมีอะไรเยอะยะมีความคิดแนวตัวเนี้ยเยอะแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้าถึงใจคือไม่ถึงกันนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติเช่นที่แสดงให้เห็นถึงความไม่มีสารแก่นสารอะไร สิ่งที่เราได้เรามีเราเป็นในสุดเราก็ต้องทิ้งสิ่งเด็จนั้นไปหรือสิ่งเด็จนั้นต้องทิ้งเราไปไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไปอย่างสภาจิตจีนที่ว่าไม่มีงานเลี่ยงใดที่ไม่มีการเลือราในสุดมันก็ต้องพลากจากไป เันปนัญหาตรงนี้จึงอยู่ที่เราสามารถจะคิดจากอะไรสักอย่างหนึ่ง่ะเช่นยกตัวอย่างว่าเราไปงานศพในงานศพนี่เยอะมากคือคนเราแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่อยู่งานศพซสนี่นหลายชั่วโมงอยู่ในงานศพคนหนึ่งคนหนึ่งเนี่หลายชั่วโมง ในงานศพเหล่านั้นมีคติสอนใจในโลงก็มีครูใหญ่นอนนอนให้เราดูอยู่ในบทสวดต่างๆทีพ่พระสวดมันก็เป็นการเจริญมโานานุสติเพือมีสติตั้งระลึกถึงความตายที่เกิดขึ้นแก่คนตายและจะเกิดขึ้นแก่เราจริงๆเขาก็สวดให้เราฟังนะ่ยนะฮะ แต่เราก็ไปเรียกว่าสวดผีวัดรัวเนี่ยมาก่อนมีธรรมเนียมนะะคือพระไม่สวดผีนะพระวัดรัวเพราะเพิ่งผ่อนตลนไม่กี่ปีว่าถ้าเป็นอุปสมบทศิษย์ก่าของวัดหรือว่าพระเป็นศพอุปถัมเราก็ให้ช่วยสวดให้ก็สวดแต่ไม่รับสวดเป็นการทั่วไปเพราะว่าผู้ใหญ่รุ่นครูบาอาจารย์รุ่นบุรพาจารย์นั่นนะ ท่านไปเห็นพระสวดผีแล้วท่านท่านไม่นิยมหรืชาวบ้านก็สนุกสนานกันไปพระก็สวดกันไปใกล้ใกลกับพระไปสวดได้ผีฟังเป็นการไม่เคารพธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเรามองด้วยความเคารพธรรมแล้วเนี่ยมันให้อะไรเยอะไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกแม้แต่ตาลปัดที่วางเวลาเนี่ยเราก็เจอหลายอย่าง ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นพื้นนั้นมีนี้ไม่พ้นสี่คนหามสามคนแอะคนหนึ่งนังแคะสองคนพาไปอะไรแต่ไรเนี่ยแต่ละอย่างมันเป็นคติเตือนใจให้เราได้คิดแต่คนก็ไม่เคยได้คิดกันเท่าที่ควรเันไปไม่กลับเนี่ยก็หมายความอาการเวลามันกินตัวมันเองพร้อมด้วยชีวิตของเราไปทุกวัน หลับไม่ตื่นคือคนที่มีความเห็นเป็นนิจอาทิธิปุกไม่ตื่นผููก็ไม่รู้เรื่องพื้นไม่มีคือคนตายเป็นศพที่อยู่ในโล่งให้เราดูเป็นตัวอย่างนี้ไม่พ้นก็หมายความว่าทัพย์สิวิถีทรัพย์สิง่งนตกอยู่ในกฎของใจรักไม่มีใครจะหลีกหนีกฎใจรักคือไม่เที่ยงเป็นรูปเป็นหน้าตาไปได้มันเป็นการสอนสัจะชีวิตให้ให้ แล้วก็มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเป็นอย่างดีในงานศพแต่ก็จริงเราก็ไม่ค่อยได้คิดไม่ค่อยได้คิดบางทีก็เลยเถิดไปจนหายเอจนรังเกียจงานศพหลือกลัวศพอะไรแต่ออไรไปหายไปเลยแทนที่จะได้ประโยชน์บังกับสูญเสียประโยชน์เพราะถ้ามือคิดโดยนิยามดังกล่าวเนี่ย ก็จะคลายความกำหนัดตรงไปก็คลายความกำหนัดแล้วเนี่ยจิตก็จะพ้นพ้นจากอะไรพ้นจากกิเลสที่เรียกว่าตัณหามาณทิฏฐิเนี่ยเอวเมตังยาถาปูตังสมปัญญายะดัตต บ, บงังข้อ น, นี้อันเือทั้งหลายเป็นเง็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงแลแ้วอย่างนี้ เมื่อจิตพ้นแล้วก็เกิดญาณผุดขึ้นมารู้ว่าเราพ้นแล้วอันนี้ก็เรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นในตัววิมุตติอริยาสาวกนั้นเมื่อรู้เห็นอย่างนี้ก็จะทราบชาัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทาเราได้ทาเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีหมายความว่าเสร็จกิจ ที่เป็นเรื่องของตัวเองอัตประโยชน์ของพระอาหารหันต์นั้นเสร็จแล้วด้วยการบรรลุมรรคผลเป็นบรฮันเมือนพระพุทธเจ้าตอนเสร็จกิจของพระองค์ตอนภายใต้ต้นมะสีมาโพนะฮะต่อจากนั้นมาก็อยู่เพื่อคนอื่นก็แล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคจัดวยากรภารสิทธินี้อยู่จิตของภิกษุพันรูปนั้นพ้นแล้วจากอ า, วาสวะทัง้งหลายไม่ถือมั่นดูปาทานแล้ ว้นแด้จากอาสวะทั้งหลายนะฮะอาสวะก็คือการมาสวะภาวะสวะวิชาสวะแต่ไม่ถือมั่นอุปาทานอุปท า, านในที่นี้คือการอุปท า, านที่ถูกอุปทานศีลปฏิัติถูกอุทปท า, านอัตวะถูกอุปาทานก็สรุปว่าเมื่อหมดจากอาสวะสับประกิเลตี่นี้ชื่ออย่างไรก็ตามว่าชื่อว่าหมดไปจากจิตใจของท่านท่านเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดอย่างแท้จริงท่านฟังทั้งหลาย การงมพทิยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่องามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี